มีใครลองออกไปอาบน้ำฝนไหมเกียรหลวงปูมั่นบอกว่าเป็นยาเยามื่อตอนบ่ายเราคุยกันเกี่ยวกับเราคุยกันเรื่องขันแล้วก็ได้เห็น ได้ยินที่หลวงพ่อวิริยังท่านบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดหรือว่าบุหรี่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดับจากผมแล้วก็ไปเกิดที่นาฬิกาแล้วตอนนี้ก็มาเกิดที่ผมอยายตนะภายนอกคือเสียงกระทบอยายตนะภายในคือหู วิญญาณก็ขึ้นมาแปรค่านี่คือผัสสะนะครับเป็นสามส่วนส่วนจะเกิดเวทนาไหมสมมติเราฟังผมกำลังนับตีหงุดหงิดขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะแวบขึ้นมาเกิดเป็นเวทนาขึ้นมานี่ก็มีเสียงฟ้าร้องแทรกมา มันเกิดดับอยู่ที่เสียงแต่กดด็เกิดดับเกิดดับอาทีนี้เรากลับมานิดหนึ่งเพราะว่าความจริงเรื่องเนี้ยผมมักจะเลี่ยงไม่ตอบมานานแล้วแต่นี่ในคอสเข้มแล้วพออิญว่าเรื่องก็จูงจูงจูงมาถึงตรงนี้ก็เลยจะลองตอบทิ้งไว้ก็แล้วกัน เพราะว่าคำถามนี้ถ้าถามในคอร์สปฏิบัติทั่วไปหรือว่าในการบรรยายเนี่ยผมก็จะเลี่ยงไปเลยทำไมมักมีองแปดจึงไม่มีศีลข้อห้าปกติเราก็สมาทานศีลห้าแล้วก็ถือศีลห้ากันมาข้อห้าก็ดูว่าก็สำคัญทีเดียวการดื่มสุราการก็สำคัญ พอเ ม, อมาไม้ปุ๊บศีลก็ขาดหมดเลยสีข้อแต่ทาไมมัคคีองแปดข้อที่สามสี่ห้ากลับไม่มีศีลข้อห้าแบบตรงไปตรงมาอย่างที่เห็นในข้ออื่นๆทั้งสี่ข้อออกมาชัดเจนเลยในมัคคองที่สามก็เป็นศีลข้อสี่มัคคองค์ที่สี่ก็เป็นศีลข้อหนึ่งสองสามพอมัคคองที่ห้าไปพูดถึงอาชีวะเลยแล้วศีลห้าหายไปไหน คือการทำไมไม่งดดื่มสุราในมัชหลวงปู่หลวงปู่มั่นก็ชัดเจนนะครับไม่มีใครคลางแคลงอยู่แล้วเรื่องภูมิรู้ภูมิธรรมความเป็นครูบาอาจารย์เกินกว่าความสงสัยไม่มีใครสงสัยเนี่ยองค์ท่านอยู่แล้ว แต่พอได้ฟังเมื่อกี้เราคงไม่มาคิดว่าท่านไม่ใช่หรอกแต่เราต้องมาคิดว่ามีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเกินภูมิรู้ของเราหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ดึงท่านลงมาหาเราแน่แต่เรากำลังต้องเปลี่ยนวิธีคิดแหละเพราะว่านี่มันเกินความคิดของคนละแสดงว่า เรายอมรับไม่ว่าบุหรี่กับหมากเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทแต่ไม่มากแต่ออกฤทธิ์จึงทำให้คนติดได้ถ้าดื่มสุราไม่มากออกฤทธิ์ทางจิตประสาทเหมือนกันถ้าดื่มไม่มากไม่ถึงเมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่าๆกับบุหรี่หรือยาเคี้ยว มากเหมือกอะไรเนี่ยแล้วไปดูในศีลทั้งสี่ข้อที่มาอยู่ในมัดต้องมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นถ้าเรามาสังเกตดูศีลทั้งสข้อลักทรัพย์ต้องเจตนาเป็นเครื่องเว้นเมื่อหมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจะไม่ลักทรัพย์อีก ในอริยบุคคลทั้งหลายไม่มีการลักทรัพย์อีกไม่มีกระดิกขึ้นมาในใจไม่มีการกระดิกขึ้นมาทางกามไม่มีความพิผิดในกามไม่มีการโกหกไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานสัตว์ไม่มีในองค์ท่านอีกโดยที่ไม่ต้องมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นแต่ถ้าบุรีหมากสุลา ต้องมีเจตนาในเครื่องเป็นมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นแสดงว่าเมื่อหมดเจตนาต้องไม่มีการเสพพวกนี้อีกแต่ทำไมในภาหัรยังมีอยู่แสดงว่าพวกนี้ไม่ได้ต่างจากอาหารคิฬานะปัจจยะเพศถ้าปริมาณไม่มากพอจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการไปทำผิดเพราะฉะนั้นไม่ถูกบรรจุอยู่ในมรรคเพราะมรรคคือหนทางที่จะพาเดินไปสู่พระนิพพานแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องกลางกันไม่มีตั้งแต่เจตนาเป็นเครื่องเว้นในศีลอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีเจตนาเป็นเครื่องเว้นเมื่อเว้นได้จบสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีในองค์ท่าน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่ขันไปติดเหมือนถ้าจะเป็นอาหารเหมือนข้าวเหนียวเหมือนส้มตำเหมือนอะไรที่อาจจะฉันจนเคยคุ้นขันติดไปแต่ถ้าวันไหนต้องเลิกก็คงไม่ได้ยากเย็นอะไรก็คงไม่ได้ทำให้หยหาอะไรแต่วันนี้ถ้าสมมติว่ามีใครชอบกินส้มตำ แล้วมีคนบอกว่าส้มตำก็ทําให้เกิดความอยากเพราะฉะนั้นให้เลิกส้มตาซะแล้วจะบรรลุธรรมท่านก็เกี่ยวอะไรอะ่ะวันนึงก็กินส้มตาโดยไม่มีอยากก็ได้นะใช่แล้วของพวกนี้ก็เหมือนกันแล้วเรื่องพวกเนี้ยท่านอะพูดข้างนอกเนี่ยจะพูดว่าอะไรอะ่ะต้องยกตัวอย่างองค์ท่านเงนี้ยไม่กล้า เพราะฉะนั้นก็แค่อธิบายฟังแล้วก็ฟังไว้นะฟังไว้ตรงนี้เป็นเรื่องของระดับจิตล้วนๆสัตว์ชาติแรกมีแต่สร้างกรรมชั่วสัตว์กินสัตว์และความกโกรธโลภหลงตามเหตุปัจจัยภายนอกภายใน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 จำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าเราเอาอากาศมาขยายพันเท่าเราจะเห็นฝุ่นละอองในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาวิญญาณมาขยายสมมุติว่าพันเท่าเราจะเห็นฝุ่นละอองในวิญญาณซึ่งเขาเรียกว่าสุขุมมารูปลองฟังสุขุมมารูปต่อไปตัวนี้แหละที่จะเป็นเหตุเกิด ใให้้้ทุกกคนตองชรรมเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ที่แฝงอยู่ในความว่างขั้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่ได้หมดสิน้นเมื่อสัตว์ชาติแรกเกิดนี้ได้ตายลงมีกรรมชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อให้สัตว์ต้องใช้นี่เกิด กรรมชั่วที่ได้ทำไว้แต่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วห า, ายอมใชหนี่เกิดกันไหมมันกลับเพิ่มนี่ให้เป็นเหตุเกิดทวีคูณจนปัจจุบันชาตินี้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 พอเราจับไปที่กายของเราเนี่ยเนี่ยรูปทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนธรรมพอใช้กำลังขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนามนธรรมที่บอกว่าเป็นวิญญาณกลายเป็นรูปไปแต่เป็นรูปละเอียด เป็นสุขุมรูปที่ทนมากเพราะฉะนั้นเหตุทุกอย่างที่ท่านทำไว้ไม่ว่าจะบาปหรือบุญไม่ต้องไปอาศัยเซฟที่ไหนเก็บเก็บอยู่ที่สุขุมมรูปในตัวทุกคนแล้วมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งโลกทั้งจักรวาล มีเครือข่ายที่ดึงเข้าผักออกแต่ละคนเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าไปรู้ได้กรรมวิสัยจึงเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปสแกนเนื่องจากเหตุของมันมากมายมหาศาลแล้วก็ส่งผลที่มากมายมหาศาลเราจะบอกว่าวันนี้เราผิวพันธุ์ดี เพราะเราเคยไปถวายมันคงไม่ใช่เหตุเดียวแน่วันนี้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้เราคงเคยเทํากุศลไว้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในส่วนของปัญญาก็คงไม่ใช่จากเหตุเดียวเหตุนั้นได้เกิดเป็นมนุษย์มีเหตุอื่นที่ทําให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็มีอีกมากมายยี่สิบสามสิบสี่สิบเหตุทีนี้พอสุคุมมารูปที่เราเรียกว่าวิญญาณที่เป็นนามธรรมพอขยายกำลังขยายเข้าไปหนักเข้าหนักเข้ามันกลายเป็นรูปละเอียดเก็บอะไรต่ออะไรไว้เต็มไปหมดเลยไม่มีเทพเจ้าองค์ใดค่าตายได้นอกจากนิพพานเท่านั้นรูปวิญญาณจึงจะสลาย รูปวิ ญ, ญญาณสลายได้ด้วยนิพพานอย่างเดียวเรื่องการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับติดอยู่ในสุขุมรูปตาหูจมูกลิน้นกายห้ากองนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าจิตจึงมีสำนักงานของจิตติดอยู่ในวิญญาณห้ากองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลาง และก็ติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญ ญ, ญาณจึงไม่เหมือนกันใครที่อ่านพุทธพจน์เรื่องของไหวพจน์คือคำที่ใช้แทนกันจะเจอพุทธพจน์บทหนึ่ง จิตมนโนวิญญาณผู้เจ้าใช้แทนกันเลยแต่พอศึกษาไปศึกษาไปจิตใจแล้วก็วิญญาณเป็นคนละตัวกันหมดเลยบางคนงงแล้วทำไมผู้เจ้าตัดอะไรไม่เคยผิดไม่ใช่เหรอท่านบอกว่าใช้แทนไม่ได้เหมือนกัน แต่วันแรกๆสำหรับผู้ปฏิบัติดูไม่ออกลองฟังก่อนจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นครูหาให้จิตได้อาศัยอยู่และเป็นยานพานนะพาจิตไปเกิดหรือจะไปไหนๆก็ได้ ถ้ามีรถรถยี่ห้อวิญญาณคนขับรถจะชื่อจิตแต่จิตไม่ได้เป็นคนบังคับให้วิญญาณไปนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในรถจะชื่อจิตถ้าเราเห็นรถเราจะเห็นคนขับรถด้วยจึงเป็นไวพยพจน์กันได้เพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าเวลาเรารู้ลม วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปอ้าวจิตไม่ได้ไปรู้ลมเหรอใช่มันไปด้วยกันไงถ้าท่านสังเกตดูบางครั้งผมก็เรียกวิญญาณบางครั้งก็เรียกจิตบางคนก็งงว่าตกลงจะเป็นจิตวิญญาณแล้วมันไปด้วยกันไงก็วิญญาณเป็นครูหาให้จิตอยู่ก็ไปด้วยกันแต่ทีนี้งานนี้เนี่ยมันเกิดวิญญาณเนี่ยมันแสบ จิตอาศัยอยู่ข้างในสมมติว่าเป็นคนขับรถ อ, อเป็นคนที่อยู่ในรถเหมือนเป็นเม็ดสากลูกับไออาสากลูกที่หุ้มอยู่เนี่ยพอไปถึงปับ๊บวิญญาณมันสร้างอารมณ์จิตเลยมีอารมณ์กเกิดเป็นเวทนาเลยเพราะความที่จิตมันก็ไม่รู้มันก็โง่จิตโง่ก็เลยไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาพอปวดนั่งสมาธิปวดโอ๊ยปวดจังเลย มันก็ไปดึงเวทนามาเป็นของเราโดยมีวิญญาณไปแปลค่าการปวดนั้นจึงเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ในการปวดเรียกว่าเวทนาทางใจพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าอริยสาวกผู้สับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะไม่เกิดเวทนาทางใจทำไมจึงไม่เกิดเวทนาทางใจ เพราะวิญญาณไม่แปรข้ามาเข้าข้างกูนึกออกั้มจิตจึงมีสภาพรู้ซื่อๆรู้เฉยๆว่าปวดแต่ไม่ปรุงว่ากูปวดปวดเป็นของกูกูทนไม่ไหวแล้วกูทรมานเหลือเกินไม่มีกูผมถึงบอกว่ารู้อะไรแล้วให้จบจบจบร้อนจบร้อนอย่าบน่นพอบ่นเพราะมันปรุงได้มันเปิดช่องให้กิเลส แรกๆอาจจะฝืนแต่หลังๆจะรู้สึกว่ามันโล่งเบาแล้วก็ว่างมันต้องฝึกให้มันถอยหลังกลับมาที่ต้นตอวิญญาณจะดับจิตก็จะมีสภาพรู้เวทนาเฉยๆซื่อตรงๆไม่ปรุงขึ้นมามันจะเจ็บตามปกติแต่ไม่ใช่กูเจ็บ มันจะเจ็บสภาพเจ็บอาจจะลดลงกว่าที่เราเคยเป็นอยู่มากกว่าครึ่งทันทีที่วิญญาณไม่ปรุงสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นของเราสภาพเจ็บจะลดลงมากกว่าครึ่งวันนี้มันเจ็บเพราะว่ามันไปสร้างว่ากูเจ็บแล้วเกิดสัญญาเดิมไปสร้างความเจ็บเพิ่มขึ้นแต่วันไหนที่มันเกิดรู้แจ้งแล้วมันปล่อยพลว่มันจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ขยับขาเลยทาไมความเจ็บมันหายไปหมด ความเจ็บใจเจ็บที่ใจมันหายไปวันนี้มันบีบคั้นที่ใจเพราะว่ามันมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนหยาบๆที่บอกเวลานั่งที่บอกให้กันบ้านเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายพุ่งไปสู่พระนิพพานทั้งสิ้นนะครับที่เปิดให้ฟังเพื่อให้ท่านมั่นใจอย่าทำเล่น เป็นชีวิตรูปสุขุมรูปที่ถอดมาจากรูปยาบมีรูปเพศผู้เมียรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิ ญ, ญญาณไว้ได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อพบชาติต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเมื่อกี้ถ้าเราพอจะจับความได้ จะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยตาเนี่ยก็มีออฟฟิศสำนัก ง, งานของมันทำงานของมันเองหาอารมณ์ของมันเองหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันนอกจากว่านี่ไม่ใช่เราเนะี่ยแต่ละชิ้นไม่มีอะไรเป็นเราเลยทำงานกันได้เองทำงานกันได้เอง เวลาท่านเดินจงกลม เ, เวลาอันนี้ด้วย เ, เดินจงกลมผมบอกให้ละแล้วมาอยู่กับเดินมีความคิดปรุงแต่งละหลายท่านพอละไปมากๆมันทําท่าเหมือนงงๆคือพอเดินไปจะสุดมันก็เลยไม่ได้บอกให้มันหันก็เลยต้องไปคิดว่าถึงเวลาจะชนแล้วหันได้ละ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่คิดปรุงแต่งเอาแต่ละมันจะไม่บอกให้เราหันนะดนเถ้าท่านขับรถและติดไฟแดงสมัยก่อนไฟแดงไม่มีตัวเลขนับถอยหลังแบบวันนี้จินตนาการภาพตามผมรถติดไฟแดงปับ๊บนั่งอยู่สักพักท่านแก้งยก รีโมทขึ้นมาตัวไหนก็ได้สมมติมีนรีโมทวิทยุอยู่ในรถแล้วก็ชี้ไปที่ไฟแล้วกดปิ๊บไฟมันเขียวปุ๊บแล้วท่านก็ขับรถไปพอรถติดไฟแดงหน้านั่งสักพักโอ้ยทำไมติดนานนี้หยิบรีโมท ต, ตัวเดิมขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มปึ๊ บ, บมันเปลี่ยนเป็นไฟเขียวปุ๊บท่านก็วิ่งต่อไปพอไฟแดงที่สาม ชักเอจใจเลยเอารีโมทชี้ไปแล้วก็กดปุ๊บมันเขียวเขียวปุ๊บแล้วท่านก็วิ่งไปท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารีโมทนี้ไม่ธรรมดากูก็ไม่ธรรมดาแนละ้วนั้นไม่ใครก็คนหนึ่งแหละพอถึงแยกที่สี่เขาว่าลองดูอีกทีวะทําเป็นนั่ใจๆแล้วเมันเขียวเลยท่านจะคิดว่าอะไรครับ ไฟเปลี่ยนเป็นเขียวเพราะรีโมทหรือไม่ก็กูพออันที่ห้ากดดูเล่นๆอีกทีเขียวจริงๆด้วยอันที่หกลองไม่กดมันก็เขียว <c oughs> อันที่เจ็ดลองแกะฐานรีโมทออกเลยเผื่อกันไปโดนมันก็เขียวเหมือนเดิมตกลงมันเขียวเพราะเรากดเหรอนี่คือความเห็นผิดของคนมันเกิดสิ่งที่ซ้อนกันแล้วเป็นเหตุบังเอิญพอดี ทีนี้พอทำบ่อยๆมันเกิดใช่ทั้งๆ ท, ที่บางทีไม่ใช่แต่ด้วยความที่ไปคิดเอาเองว่ามันเป็นของเราเวลาเราปวดฉี่ลุกไปฉี่ผมถามจริงอ่ะท่านต้องคิดไม่ว่าท่านจะไปฉี่แต่ท่านจะรู้สึกว่าท่านจะต้องคิดว่าไปฉี่แล้วเดี๋ยวจะลุกไปแล้วก็ไปเปิดประตูออก มันเป็นสิ่งที่ทำเกินไปเฉยๆไม่มีก็ได้นะรู้ไหมว่าพระเซนหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ถึงทำที่เราเคยได้ยินว่าม่วงก็นอนหิวก็ไปกินร้อนก็อาบน้ำปวดฉี่ก็ไปฉี่เนี่ยสภาวธรรมชั้นสูงแต่มีใครรู้เรื่องบ้างอ่ะ ง่วงก็นอนเลยเหรอเออดีเว้ยนีนอนเลยไม่ท่านไม่ได้พูดถึงง่วงนั่นง่วงกายแบบเพลียแต่ไม่ใช่ใจง่วงใจง่วงมันขี้เกียจปวดฉี่ก็ไปฉี่ขันมันทำเองวันเนี้มันมีการปรุงแต่งซ้อนเข้าไปเลยไปหลงนึกว่าถ้ากูไม่สั่งนะมึงทำไม่เป็นหรอก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 ธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรามาณูคงเหลือแต่ความว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปปรามาณูทุกๆช่องฉะนั้นโดยปราศจากรูปปรามาณูความว่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสว่างรวมเข้ากับความว่างบริสุทธิ์สว่างของจักรวาลเดิม เข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานาถึงแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เก็บไว้ในวิญญาณทั้งหมดเมื่อเราขยายวิญญาณขึ้นมาเรื่อยๆวิญญาณจะกลายเป็นรูปสุ ข, ขุมที่พกพาเอาสิ่งที่เรากระทำไว้ทั้งหมดไม่เคยพ้นไม่เคยมีอันไหนที่ท่านทำแล้วตกหล่น เพราะเมื่อมีเจตนาแล้วกระทา ม, มันจะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านทุกอย่างมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในวิญญาณไม่ว่าจะแอ บ, บคิดคนเดียวแอบบคิดโดยเจ้าตัวไม่รู้แอบบปรมามดครูบาอาจารย์แอบบด่าใครในใจพูดออกมาหรือลงมือกระทาทุกอย่างจะถูกสั่งสมเอาไว้ในวิญญาณนี้ทั้งหมด ถ้าวันนี้เราสามารถ เ, าเรียกมันออกมาดูได้ท่านจะเห็นว่ามันเยอะมากที่จะต้องไปก่อให้เป็นภพภูมิต่อๆไปมันจึงหาปลายไม่เจอวันนี้เพราะสิ่งที่เพียงจิตขยับเพียงนิดเดียวจิตเกิดเจนะเกิดเจตนาในการกระทำใดๆมันจะฝังแล้วก็บันทึกทันทีเพราะฉะนั้นมันมันไม่มันอยู่ในโหมดสแตนบายตลอดไม่มีออฟ เมื่อไรก็ตามที่อริยมรรคจนกระทั่งถึงอาราหตาัตมรรคเข้าไปชำระครั้งสุดท้ายรูปสุขุมที่ฝังตัวอยู่ในวิญญาณทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำลายสลายไปจนหมดเมื่อสลายไปหมดท่านลองนึกภาพว่าผ้าฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศถูกกวาดจนเรียบ ฟิลเตอร์ดักออกไปจนหมดชําระจนหมดจะเหลือแต่ความว่างบริสุทธิ์ไม่มีรูปสุขุมอีกกลายเป็นความว่างบริสุทธิ์แท้ตรงนี้ธรรมชาติของท่านจะคืนเข้าสู่ธรรมชาติเดิมคือนิพพานเพราะฉะนั้นงานนี้ท่านต้องชําระกวาดของเก่าจนหมดแต่การชําระไม่ได้แปลว่าต้องมาใช้กรรมเก่าจนหมด อริยมรรคจะเข้าไปชำระตอนอรหาตาัตมรรคจนหมดไม่เหลือเหตุเกิดอีกต่อไปจิตจึงนิ่งบริสุทธิ์ไม่มีการขยับไม่มีการมาไม่มีการไปไม่จุติไม่บังเกิดอีกทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยมันสามารถโยงไปให้เห็นความจริงตรงนี้ได้อีกอย่างหนึง่งเพื่อให้ท่านรู้สึกเห็นความจริงคือเรื่องของ องค์ุริมาลองค์ุริมาลเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยเรารู้จักกันดีนะฟังกันมามากนะครับถ้าท่านเข้าไปอ่านในเว็บผมก็เขียนให้แล้วก็นําเนื้อความในในพระสูตรมาแล้วก็มาชี้แจงให้ฟังด้วยผมจะพูดตรงนี้ให้ฟังองค์ุริมาลเองก็ทํากรรมมาไม่ชิน้อยทุกคนก็รู้ดี พอถึงวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดองคุริมานก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วก็ออกบวชตามท่านจากนั้นชาวบ้านชาวเมืองอย่าลืมว่าองคุริมานฆ่าคนมาอาติว่า999ตามที่เขาบอกคนที่ตาย999คนท่านว่ามีญาติเท่าไหร่สมมติคูณก็ไปอีกสามก็อยู่ประมาณสักสามพัน คนที่เดือดร้อนจากองคุริมาณฆ่าที่ยังมีชีวิตอยู่คือญาติถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฆ่าญาติของท่านฆ่าคนในบ้านคนในครอบครัวของท่านไปนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าผมถามว่าท่านจะโอเคไหมไม่ ญาติสามพันคนเนี่ยที่เราประมาณกันดูเล่ น, เลนๆเฉยๆเป็นตุ๊กตาได้ไปร้องกับพระเจ้าเปรศให้ไปจัดการโจร น, นี้พระเจ้าเปรศก็ยกกองทัพไปพอผ่านไปถึงเจตวันก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าโอมาทําไมยกกองทัพมาถึงเยอะพระเจ้าเปรศเปรศก็บอกว่าจะมาจับโจรองคคุริมา เจ้าก็เลยถามว่าแล้วถ้าองคุริมานเข้ามาบวชเป็นสาวกของพระาศาสดาล่ะองคุริมานพระเจ้าประเสริฐก็บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้จนป่าหยาบช้าค่าคนขนาดนั้นจะมาอยู่ในปาติโมกของท่านไม่น่าเป็นไปได้ท่านก็จึงพายมือออกไปบอกนั่นไงภิกษุองคุริมานนั่งอยู่นั่น เราะทีแรกท่านถามว่าแล้วถ้าองคุริมาลมาบวชจริงๆละ่พะพระเจ้าประเสนบอกว่าหม่อมฉันจะถวายบาทและจีวรท่านก็เลยชี้ไปนั่นไงองคุริมาลท่านก็เลยอุ้ยอาจจะพูดไปแล้วก็จะถวายบาทจีวรแต่องค์ุริมาลไม่รับเขาบอกว่าอาตมามีแล้ว จากนั้นท่านก็กลับเพราะว่าในเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่ไปทำอะไรเสียหายกับใครอีกแล้วเอาละแต่ผมก็เชื่อว่าชาวบ้านชาวเมืองที่เป็นญาติก็ยังขุนเคืองอยู่นั่นแหละไม่ได้สนใจหรอกดีไม่ดียิ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยิ่งแบบยิ่งแค้นหนักเข้าไปอีกอะไรวะฆ่าน้องเราฆ่าพี่เราฆ่าพ่อแม่เรา แล้วไปบรรลุธรรมได้ยังไงมันจะเกิด question mark ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไม่มีคนเชื่อด้วยทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นละ่ะท่านลองคิดว่าถ้าท่านเคยทำบาปทำกรรมอะไรมาสักอย่างแล้วต้องมานั่งสมาธิเนี่ยคิดว่ามันจะสงบไหมไม่มีทาง นี่คือเหตุที่ทําไมมัคมีองแปดตึงต้องชําระด้วยมัคข้อที่ข้อสีนออกไปเรื่อยๆไม่นั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นเลยยากมากมันจะกระสับกระสายแล้วมันจะบีบคั้นตลอดเวลาสัญญามันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาในเรื่อเรื่องต่างๆองค์ุริมานก็เช่นกันครับเพราะว่า9ก้า้อยเก้าบเ้าคนที่องคุริมานฆ่าเนี่ยเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราฆ่าหมด ทุกคนร้องขอชีวิตแล้วฆ่าต่อหน้าต่อตาไม่แยแสต่อการร้องขอชีวิตองคุริมาฆ่าทิ้งหมดต้องการเพียงฆ่าให้ครบพันเพราะฉะนั้นวันที่องคุริมามาบวชท่านคิดว่าจะนั่งกรรมฐานได้เหรอท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละไม่ใช่อัศจรรย์มาจากไหนท่านนั่งไม่ได้ครับท่านภาวนาไม่ได้ ทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะเห็นภาพคนร้องโหยหวนมาขอชีวิตร้องขอชีวิตตลอดเวลาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่เพราะเราฆ่าทิ้งหมดอย่าลืมว่าเมื่อเกิดเจตนาจิตวิญญาณทั้งหมดมันจะฝังภาพนี้เอาไว้เกิดเป็นสัญญาถึงเวลาจะนั่งจริงๆแค่ท่านทำเรื่องมาไม่เท่าไหร่เบาๆบางๆก็ยังแทบเอาตัวไม่รอดท่านยังบอกหูฟุ้งานไม่หยุด แล้วถ้าทํามาขนาดองค์ุรีมานท่านคิดว่าท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอจะไหวเหรอไม่ไหวคัมภีบอกเลยองคุริมานนั่งนั่งก็ต้องลุกนั่งนั่งก็ต้องลุกตลอดเรียกว่าท่านนั่งสามสิบนาทีตามบาลังของเราเนี่ยห้านาทีลุกตลอดคือนั่งไม่ได้เลยออกไปบินธบัตคนก็ไม่ให้แต่ในคัมภีบอกว่ากลัว คือทุกครั้งที่องคุริมานออกไปบินทบาททุกบ้านจะร้องตะโกนบอกพระองคุริมานมาแล้วทุกคนจะวิ่งเข้าบ้านแล้วล็อกประตูเลยด้วยความกลัวว่ามันภาพเก่าๆมันยังอยู่ออกไปบิณทบาทไม่ได้อาหารเลยพระเจ้าเห็นแค่สองปัญหาเนี่ยท่านรู้แล้วว่าลําบากมากองค์ุริมานตอนนี้ลําบากพระเจ้าจึงต้องใช้อุบายช่วยละ มีครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จออกไปบินธบาตแล้วก็องคุริมานไปมีผู้หญิงกำลังจะท้องแก่กันมันจะคลอดแต่คลอดไม่ออกคงแบบก็คลอดไม่ออกอ่ะพระเจ้าก็บอกว่าองคุริมานเธอไปช่วยผู้หญิงคนนั้นหน่อยเธอไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมา เราไม่เคยฆ่าคนด้วยอาการเล่นๆหรือทำเล่นๆขอสัจจะวาจานี้จงช่วยให้เธอคลอดลูกได้โดยง่ายอันนี้ผมย่อๆมานะองคุริมานก็เลยทูลพระเจ้าบอกว่าเขาไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะมันไม่จริงเขาฆ่าคนมาตั้งมากใครๆก็รู้ ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเอาละถ้าเธอพูดคำนี้ไม่ได้ให้เธอพูดอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เรากําเนิดเกิดในอริยชาตินี้เราไม่เคยฆ่าคนเล่นๆทำเพื่อความสนุกสนานขอสัจจะวาจานี้จงช่วยให้เธอคลอดลูกได้โดยสะดวก ถ้าเราหยุดฟังคำของพระพุทธเจ้าคำนี้เนี่ยผมว่าเราเดาออกแล้วว่าองคุริมานน่าจะอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันแล้วไม่งั้นพระเจ้าไม่ใช้คำนี้ตั้งแต่เธอเกิดในอริยชาติสแสดงว่าองคุริมานตอนนั้นเป็นอริยบุคคลแล้วแต่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระรหันพอใช้อุบายนี้ปับ๊บองคุริมานยอมไปพูด เพราะว่าไม่ใช่ไม่งั้นทีแรกจะรู้สึกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องแม่นั่นเรายังฆ่าอยู่แต่ถ้าบอกว่าอริยชาติเกิดเป็นชาติของอริยะตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยทำผิดศีลอีกเลยองคุริมานจึงยอมพูดประโยคนี้ออกไปด้วยสัจจวาจานี้เอเตนะสั จ, จวัเชนาะด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ขอให้เธอจงคลอดลูกได้โดยสะดวก ผู้หญิงคนนั้นคลอดพรวออกมาเลยคลอดลูกพรวกออกมาเลยหลังจากนั้นเสียงคำล่าลือจึงได้แผ่กระจายออกไปเกิดเป็นองคุริมานณสูตรทีนี้ผู้หญิงที่กำลังจะคลอดก็จะออกมารอองคุริมานตอนเช้าหละอันนี้คือเรื่องจริงนะครับตามพระสูตรบอกไว้เลยองคุริมานก็ไปถึงก็สวดท่องอย่างนี้ ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอริยชา่างก็เป็นพระสูตรที่แบบฮิตไปเลยช่วยให้ผู้หญิงคลอดลูกโดยสะดวกแล้วด้วยการกล่าวสัจจะวาจานนี้พวกคลอดง่ายกันหมดเลยจากวันนั้นเริ่มมีคนใส่บาทองคุริมาและพราะผู้หญิงเริ่มไม่โกรธองคุริมาและองคุริมาช่วยให้ลูกเขาคลอดสะดวกเริ่มพลิกจิตของคนองคุริมาพอเห็นคนเริ่มมีปฏิสัมภารมีปฏิกรุรยาในทางบวกกลับมา ตัวเองก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อมีความสุขจิตก็เริ่มเป็นสมาธิจากนั้นไม่นานองคุยมานก็บรรลุธรรมนี่อุบายพู้เจ้าแบบสองชั้นเลยคือสองชั้นเลยใช่ตั้งแต่เกิดเป็นอริยชาติเราไม่เคยทำผิดอีกเลยมันก็จึงเกิดคำถามเลยหลังจากนั้นอีกไม่นานองคุยมานก็ละขัน มรณภาพไปพิสูุทั้งหลายก็นั่งคุยกันว่าป่านี้องคุริมานคงตกนรกหมกไหม้แล้วผู้เจ้าเสด็จผ่านมาก็ถามว่าเธอคุยอะไรกันพิสูกุก็เล่าให้ฟังท่านก็จึงบอกว่าองคุริมานไม่กลับมาเกิดแล้วเขาบรรลุธรรมเข้าสู่นิพพานไปแล้วพิสูก็จึง พกอาการสงสัยแล้วก็ถามต่อไปว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อองค์คลีมานฆ่าคนมาตั้งมากมายพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าในสมัยที่องค์คุรีมานยังเป็นคารวาสหรือคฤหัดอยู่เขาไม่มีกัรรายงานมิตรเขาไม่มีการรายงานมิต ร, ระะที่คอยบอกคอยเตือนว่าสิ่งนี้มันผิดเขาจึงทําสิ่งนั้นลงไปวันนี้เขามีกัรรายาณมิตรแล้ว เขาใช้กุศลเขาทำกุศลโดยส่วนเดียวโดยไม่ทำอกุศลอีกเขาตั้งหน้าตั้งตาทำกุศลจนกระทั่งวันนี้เขาหลุดพ้นไปแล้วถ้าใครจะบอกว่าไม่แฝงทำไมองคุริมานไม่ต้องรับกรรมเรามาดูกันดีๆใหม่มีปุ๊กแล้วก็มีผมนั่ง จิตโง่ไปยึดปุ๊กมาเป็นเราวันหนึ่งด้วยความไม่รู้ปุ๊กฆ่าคนเก้า้้าสบคนผมถามว่าเอากันจริงๆเลยเนี่ยจิตโง่ก็มีความทุกข์กับที่ขันไปก่อเอาไว้ด้วยความไม่รู้ก็ทุกข์ผสมผสานกันเพราะว่าปุ๊ก กับจิตโง่มันกลายเป็นคนเดียวกันถ้าจะพูดอย่างเนี้ยถูกไหมมันกลายเป็นกูเป็นของกูกันไปหมดแต่วันที่องค์คุริมานมีกันละยานมิตรคือพระพุทธเจ้าแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดจิตโง่มันหายโง่มันปล่อยกุ๊กมันก่อยปล่อยปุ๊กออกมันปล่อยปุ๊กใครจะรับขันไอ้ใครจะรับรับรับวิบากตอนนี้ปุ๊กถูกไหม ปุกลับสิแต่ว่าไม่มีองคุริมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีเหตุเกิดต่อไปด้วยวันนี้นะถ้าเราเป็นนักโทษติดคดีกำลังจะโดนประหารชีวิต ผมเชื่อว่าท่านยอมเสียเงินทั้งหมดในชีวิตเพื่ออุดพุทธภาษาไม่ว่าใครหาเงินไม่ได้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านถ้าพลิกคดีได้เพื่อให้พ้นไปจากโทษประหารท่านยอมจ่ายแต่วันนี้มีอริยมรรคมีองค์แปดไม่ต้องเสียเงิน ท่านพ้นไปจากคดีทั้งหมดที่ท่านเคยทำมามักจะเข้าไปจัดการสุขุมมารูปทุกๆุกอย่างที่ติดอยู่แต่ต้องแลกด้วยจากวันนี้ท่านต้องทำกุศลโดยส่วนเดียวทั้งกายวาจาใจแล้วถึงวันนั้นท่านต้องวางกุศลทิ้งให้หมด แล้วท่านจะพ้นออกไปอย่านึกนะว่าท่านไม่เคยทำคดีใดๆมาก่อนท่านทำมามากม า, กายกายกองใช้ไม่หมดหมดเวลาจะคิดถึงเรื่องอดีตถ้าองคุยมานเนี่ยเห็นกันชัดๆพวกเราทุกคนอาจจะทำไม่เท่าท่านแต่ก็มีไม่ใช่น้อยที่จะต้องไปรับสิ่งที่ทำไว้เป็นวิบาก ถ้าเอาคําของพระผู้เจ้าที่ใช้กับองคุยมานคือเมื่อก่อนพวกเรายัางไม่มีกัลายาณมิตรตั้งแต่ระดับสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คืออริยมรรคมีองแปดลงมาจนถึงครูบาอาจารย์จนถึงเพื่อนๆนที่ชักชวนกันในทางที่ดีฝ่ดีกันทั้งหมดกัลายาณมิตรตอนนี้พวกเรามีเราจึงรู้ผิดชอบชั่วดี เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปอุดพูดภาษาเพราะวันหนึ่งท่านเจออยู่ที่พระเจ้าใช้คำว่าอยู่เป็นรธรรมตธรรมวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันไม่ใช่ใพวกเราฟังคนก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อ แต่วันนี้พวกเรา เ, เดินทางมาถึงขนาดนี้กันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต้องอธิบายคำถามง่ายๆที่คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปหรือว่าแม้แต่นักปฏิบัติยังถามมันอยู่พระอรหันต์มีจริงเอออะไรอย่างนี้อะไรไม่ต้องถามแล้ว ยิ่งปฏิบัติเองก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเอาง่ายๆว่าถ้าจะมีเราขนาดเรายังได้ขนาดนี้เลยแล้วท่านทั้งหลายที่ภาวนากันมาอยู่ข้างหน้าเราตั้งมากมายพูะเจ้าถึงได้ยืนยันเลยว่าตราบใดที่ยังมีอริยมรรคเมงแปดยังมีผู้เจริญมรรคอยู่ โลกนี้จะไม่ว่างเว้นจากสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสามสี่ก็คือพระโสดาบันสกิทาคามียนาคามีแล้วก็พาล่ะเพราะว่ามัก๊กถ้าปฏิบัติตามไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนรู้แจ้งขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องมีคนรู้แจ้งขึ้นมาตราบใดที่ยังมีมั๊กอยู่จะต้องมีคนปฏิบัติไปได้ เพราะฉะนั้นก็บทข้อสงสัยนะครับเราก็พูดกันเยอะแล้วช่วงนี้ก็ภาวนากันแล้วกันถ้ารู้สึกว่าในนี้ร้อนนะครับก็สามารถหยิบอัศนะออกไปนั่งที่ระเบียงได้นะก็ตามอัธยาศัยอยาถ้าไม่อยากจะนั่งสมาธิก็อัสนะไปนั่งเฉยๆเพียงแค่คุ้นเคยกับความสงบได้เนี่ยก็เป็นกุศลมันกำลัง คือถ้าเราเคยคุ้นกับไฟสว่างดูทีวีฟังเพลงนั่งบนโซฟาที่บ้านแต่วันนี้เราต้องพรากออกมาความดิดดิ้นข้างในมันก็ยังมีอยู่ความโหยหายังมีอยู่แค่เราพรากออกมาให้ได้เนี่ยก็ถือเป็นกุศลแล้วนะไม่ได้พูดเล่นเพราะในมงคลสามสิบแปดเนี่ยการอยู่ในเทียนสมควรเป็นมงคลเลยเพราะเหตุนี้ <c oughs> จิตได้พรากออกจากกรรม วันข้างหน้าจะเป็นเหตุให้จิตสงบเชิญนะครับตามอธยาไซเห็นความสำคัญของมรคแล้วอะไรแล้วนะทำไปเดินหน้าไปไม่ต้องใช้เงินใช้กายเน่าๆเนี่ยแลกจะปล่อยให้มันเน่าฟรีหรือจะมีอะไรติดไปก่อนตายล่ะคิดแค่นี้